ท่านพระมาเทวราเทวราผู้บริหารคณนอานจารย์เจ้าหน้าที่และในสิ่งไฟบปรชิดซึ่งมีท่านคณบดีบดีภิเษกไหลท่านพระมหาสมบูรณ์ุธิโกโรเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพร ญาตโยมทุกท่านทั้งผู้บริหารคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพทั้งสองท่านคือคุณรุศราหวังวิการรและดรสุรเดชเอกปัญญาสกุลพร้อมทั้งคุณชุตินันสนสันเสียง เป็นตองวันนี้ปารกสองเรื่องด้วยกันมาจิตวิทยาลัยเจ็บจัดงานดีขึ้นโดยโดยเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมในพอบครัวในพิธีเป็นมงคลสองเรื่องก็คือปารกการ ฉลองห้องประชุมของบันิทวิยชลัยทั้งสองห้องและห้องที่สาคือห้องสงนานักงานเนื่องในโอกาสที่บูรณนะห้องประชุมห้องทำงานสำเร็จเรียบร้อยโดย จิตศรัทธาของท่านเจ้าภาพทั้งสองคณะปารกโอกาสเดือนใหม่ปีใหม่ในวันนี้และก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้มาพบปะส่งความสุขให้แก่กันและกันในโอกาสขึ้นปีใหม่ เนื่องจากว่าเป็นการมาพบของผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงขอปารกธรรมและอนุโมทนาเป็นเบื้องต้นในความเจริญรุ่งเรืองของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย มหาจุรา ห, ราหลุกสอนราชิเไลัยเราได้เห็นความเจริญของส่วนงานนี้นับแต่เปิดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่พุทธศักราช 2,531 ปีนี้ 2,561 30ปีในช่วง30ปีมีผู้บริหารกรุบาาจาร์รับช่วงตอตตอกันมาในฐานะคณะบดีผู้ก่อตั้งจึงมีความรู้สึกชื่นชมยินดีเป็นพิเศษเพราะว่าความเจริญก้าวหน้าของส่วนงานนี้ น่าจะตรงกับคำว่า sustainable development เกณฑ์เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็ผู้ที่สร้างให้เกิดความเจริญหรือพัฒนาในปัจจุบันฉายยาว่าวุฒิกรุณวุฒิแปลว่าความเจริญ การก็คือผู้สร้างผู้ทำเพราะฉะนั้นทมห้องประชุมนี้ก็สมใช่ใหญ่ไม่ได้มาอยู่เฉยๆเป็นวุฒิการูก็ต้องพัฒนาวุธธฒิถึธธงความเจริญแต่ที่บอกว่าเป็นความเจริญหรือการพัฒน า, ฒนาที่ยั่งยืนเนี่ย sustainable ก็อยากจะส่งข่าวสารให้พวกเราได้คิดกันว่าทำไมมันจึงยั่งยืนและไม่ใช่เฉพาะส่วนงานนี้เท่านั้นที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกคณะเอาเป็นว่าหน่วยงานระดับคณะแต่ละคณะก็มีการพัฒนาต่อเนื่องอยั่งยืน ทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มีการพัฒนาที่ ย, ยั่งยืนถ้าตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงยั่งยืนคำว่ า, ย, ายั่งยืนนี่ดูจากการเจริญเติบโตทั้งในแนวรากและในแนวต้น เวลาที่เราประเมินการพัฒนาทั้งขององค์กรส่วนงานหรือส่วนตัวของเราให้ดูสองเรื่องแนวแนวรากกับแนวตั้งแนวรากคือมองการขยาย ที่ขนานไปกับภาคพื้นเรามองการพัฒนาแบบนี้เป็นการขยายตัวในแนวกว้างคือปริมาณปริมาณเนี่ยเพิ่มขยายอย่างที่อย่างที่เห็นง่ายๆของมหาวิทยาลัยของเรา จุดกำเนิดเล็กๆที่วัดมหาธาตุแล้วแตกเป็นสาขาตอนนี้40กว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ใหญ่โตเมื่อ3วันที่แล้ว4วันที่แล้วไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงขลานา การก่อสร้างในเชิงแนวแนวแนวขยายแนวราบนอาคารสถานที่สร้างใหญ่โตโดยถือว่าเป็นวิทยาลัยเฉลิมเกีิจสมเด็จพระเทพพระรัราชาสุดาสยามบรมราชกุมารี ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งเก่าและใหม่ประมาณสามร้อยล้านเป็นอย่างน้อยเรียกว่าสามร้อยล้านบาทเนี่นี่เป็นอย่างน้อยนะครบทบหมดทุกอย่างเริ่มตั้งแต่เป็นห้องเรียน เป็นหน่วยวบริการมาจนวิ์เป็นวิทยาลายัยและก็กำลังก่อสร้างนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเติบโตในแนวแนวรากเมื่อวันซืนไปที่วิทยาเขตขอนแก่ก็ได้ ได้เห็นความเจริญเติบโตอของสาขาที่นั่นคือตัววิทยาเขตไปซะจนจาไม่ได้ว่าไปทำอะไรแต่ละแห่งเนี่ยมันมีงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในเครือข่ายมหาจุฬานี้ก็ในประเทศก็เยอะในส่วนของ มหาวิทยาลัยที่เราดำเนิกนการมาถึงบัณฑิตวิทยาลัยเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตในแนวตั้งก็คือดูจากปัจการศรียบัรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสูงขึ้นคนนุณภาพคุณภาพ เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาคุณภาพของบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตคุณภาพของงานวิจัยจึงถือว่าเป็นเรื่องของการผสมผสาน ระหว่างปริมาณกับคุณภาพแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประเมินเมื่อเราเห็นการขยายจนไปถึงต่างประเทศเห็นการเจริญเติบโตในแนวตั้งก็เกิดคำถามว่าทำได้อย่างไร ทำไมจึงขยายจึงเติบโตอยู่เรื่อยๆทำไมจึงมีความยั่งยืนมี sustainable development ซึ่งถ้าเราถอดโมเดลนี้ไปใช้ที่อื่นในบ้านในหมู่บ้านในเมืองในประเทศมันก็ได้เหมือนกันหมด และถ้าจะถามว่าโมเดลของการพัฒนาของพระพรหมดิดีเป็นอย่างไรก็ตอบได้ตรงตรงเลยว่าเวลาที่เราจะพัฒนาอะไรเนี่ยให้จับประเด็นเรื่องเดียวเลยและมันจะเป็นฐานของการพัฒนาทั้งหมด ซึ่งบางที่บางแห่งเนี่ยจับผิดเขาเรียกหลงประเด็นมันจงไม่ยั่งยืนยกตัวอย่างที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยในวงการพระศาสนาเราเห็นวัดวาอารางที่ใหญ่โตสร้างในเชิงปริมาณหวยหนา ในรุ่นของหลวงปู่หลวงพ่อในรุ่นของเจ้าวาดรูปนี้แต่พอเปลี่ยนมือขัดใบมันอยู่ไม่ได้อาคารสถานที่กลายเป็นรกร้างว่างเปล่าอย่างน่าเสียดายแล้วก็ย้ายฐานไปวัดอื่น ที่มีหลวงปู่หลวงพ่อองค์ใหม่เป็นสุ้ตาขึ้นมาแล้วแล้วมันก็จะเวียนอยู่อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เติบโตขึ้นมาก็เหี่ยวเฉาแล้วก็ไปมนที่ใหม่เกิดขึ้น แต่ในการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันต่างกันตรงไห น, นเพราะว่าการพัฒนาอื่นๆเนี่ยมันเป็นเน้นวัตถุเน้นอาคารเน้นสถานที่ก่อนสร้างให้สวยงามใหญ่โตแล้วพอสิ้นบารมีของหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นเนี่ยมันตก แต่ที่มหาจุฬานี่มันเป็นวัฒนธรรมองอุ์กรรเเราเราเริ่มจากไปอาศัยห้องเรียนวัดมหาธาตุตึกนั้นตึกนี้กว่าจะมีอาคารเป็นของตัวเองคือตึกมหาจุลาสามชั้นแล้วก็ขยายไปวัดศรีสุดารามแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ความสำคัญ กับรูปลักภายนอกเท่าไหร่หรออาคารสถานที่มาที่หลักสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพ r i อเรตี้เนี่ยคือสร้างคนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมารุ่นที่หนึ่งจบหกรูปบัณฑิตรุ่นแรกหกรูป และใครจะนึกว่ามหาชลาร์จะเติบโตมาถึงวันนี้หครรูปเนี่ยได้ช่วยกันสืบทอดสืบต่อพัฒนาเป็นผู้บริหารเป็นครูบาอาจารย์มาหนึ่งในนั้นยังเป็นกรรมการสภาหมหาชลารอยู่ในปัจจุบันคื อ, อศาสตราจารย์พิเศษจำนวงทองประเสริฐ หนึ่งในบัณดิตที่จบมาเป็นสมเด็จพระราชาคณนะเจะประคุณสมเด็จพระพุทธโทษาจาปออมพยุตโตเราถือว่าพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อน ฉะนั้นเมื่อเราพัฒนามหาจุฬาเยเรายึดหลักนี้คือพัฒนาคนพัฒนาบัณฑิตและบัณฑิตก็มาสร้างมหาจุฬาบัณฑิตก็สร้างพระศาสนาสร้างชาติซึ่งบงังเอิญมันไปนตรงกับ น, นโยบายของสหประชาชาติสหประชาชาติเขาถือว่า แมนิสเซนเ t อร์ออฟเดเวล m เมนมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสหรประชาชาติมาเห็นว่าในหลวงรัชการที่เก้าเนี่ยถือหลักเดียวกันให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสหารประชาชาติเจงถวายรางวัลไลฟ์ไ a c ์อ e ชีพเมน ความสำเร็จสูงสุดแห่งชีวิตของนายหลวงรัชการทีเก้าชื่อรังวันไลฟ์ไทอาชิเบนเอเวอร์ดในด้านฮิวแมนเดเวล p เมนต์การพัฒนามนุษ ย, มษย์มนุษย์เป็นตัวตั้งของการพัฒนามนุษย์เป็นตัวตั้งของการพัฒนามหาจุฬา เพราะฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญแก่มนุษย์คือครูบาอาจารย์ผู้บริหารนิสิตของดับและเมื่อเราให้ความสำคัญกระบวนการพัฒนาทั้งหมดเราเรียกว่าการศึกษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าไตรสิกขา ประเทศไทยเรียกว่าการศึกษากระทรวงศึกษาธิการคือ Education มหาจุฬาได้เปรียบตรงนี้ก็คือเราเป็นเบ้าหลอมพัฒนาคนแล้วคนก็มาพัฒนามหาจุลามันจะเป็นวงจรแห่งการพัฒนาที่ไม่รู้จบ ม, มันเป็นสไปรัลหมุนไปเรื่อยๆ หมุนจากวัดมหาท่าไปเรื่อยๆและวงจรนี้มันจะขยายไปทั่วโลกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและมันจะจบต่อเมื่อเราหยุดให้การศึกษาและไปพัฒนาเปลือกนอกโดยไม่คำนึงถึงแก่นคือพัฒนาคนมันเป็นโมเมนตั รู้จากบันทึกวิทยรใครจะเนึกบ้างวันจะมาถึงจุดนี้เป็นคณะบดีผู้ก่อตั้งเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะมันจะเริ่มต้นยังไงเพราะประิญญาโทของมหาจุฬาเขาไม่รับรองเรียนจบไม่มีศั์แลสิสิ์ใดๆเลยในปี2531ก ว, ว่าจะมีพรลม2540เนี่ยรอมาสิบปี แต่ผู้เรียนเนี่ยมุ่งพัฒนาต่อเขาก็มาเข้าเรียนและเราก็ไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะมีสัก์และสิทธิ์มีสถานะอะไรขอให้มันมีคุณภาพและคุณภาพเนี่ยมันประกาศตัวเขามนเองและผู้เรียนจบจากบัณฑิตวิทยาลัยเนี่ยก็มาเป็นคณะบดี มาเป็นรองอนพิการบดีบริหารมหาจลาอยู่ทุกวันนี้และก็ขยายกิจการเติบโตไปตามคณะต่างๆเป็นบันดิตศึกษาไปตามวิทยาเขตไปตามสถาบันสมพบเราถือว่าคนเป็นสิ่งที่เราพัฒ น, นา และเมื่อคนได้รับการพัฒนาเขาก็มาพัฒนาวัตถุพัฒนาอะไรต่างๆอย่างที่มาสร้างห้องประชุมนี้ก็มาจากคนที่ได้รับการพัฒนาคือนิสิตบัณฑิตวอยารจากที่เขาได้รับการพัฒนาเนี่ยก็เห็นคุณค่าเขาก็อยากจะช่วยพัฒนาคนอื่นต่อไป มาสร้างตรงนี้เพื่อให้คนมาใช้และได้รับการเจรไนมันก็จะเป็นประโยชน์ไม่รู้จบเลยทั้งห้องนี้และห้องที่ห้องประชุมตรงนู้นแล้วก็ห้องบริหารมันจะเป็นเครื่องมือในการเจรัยรนคนพัฒนาคนและก็จะ ขับเคลื่อนอย่างนี้ไปไม่รู้จบรุ่นแล้วรุ่นเล่าตาบเท่าที่เรายังไม่หลงประเด็นคือจับเรื่องพัฒนามนุษย์และเอาคุณภาพเป็นตัวตั้งใครจะแนะนำอะไรยังไงอยากไปทิ้งประเด็นนี้เรื่องคุณภาพของการศึกษา และตรงนี้เองแม้กระทั่งเรามาจัดเรื่องปีใหม่เรื่องความสุขส่งความสุขปีใหม่เราก็ไม่หลงประเด็นอีกแกนสารของความสุขของปีใหม่มันคืออะไรมันไม่ใช่ แค่เพียงมารวมกันแค่มาจัดงานมาทานอาหารร่วมกันและพูดเพราะเพราะมันก็สุขและเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสุขกี่วันเราจะสุขอย่างยั่งยืนไหมหรือความสุขที่เกิดจาก การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ถ้าเราจะให้เกิดความสุขที่ต่อเนื่องที่ยั่งยืนในชีวิตของเราเนี่ยทำอย่างไรมาเรียนมาหาจุฬาต้องรู้ส่วนมากคนมักจะนึกว่าความสุขเป็นเรื่องของอโมูชันเป็นเรื่องของอารมณ์ อารมณ์ดีเราก็สุขอารมณ์ไม่ดีเราก็ทุกข์และเราไม่มีสิทธิเลือกเราเป็นทาสของอารมณ์ทั้งของเราเองทั้งของคนอื่นเราไปเห็นภาพที่ดีเราก็มีความสุขได้ฟังเสียงที่ไพเราะเราก็มีความสุขอย่างนั้นหรือ และวันนี้เรามาสร้างเงื่อนไขภาพเสียงเป็นรถสัมผัสที่ดีเพื่อให้มีความสุขปีใหม่แล้วถ้าไม่มีใครสร้างให้เราเราจะทำยังไงเราจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรใครมาเรียนพระพุทธศาสนาก็จะรู้ว่าความสุขมันเป็นเวทนา ความรู้สึกเป็นสุขเวทนารู้สึกเป็นสุขทุกขเวทนารู้สึกเป็นทุกข์และอุเบกขาเวทนาเฉยๆเวทนาเนี่ยมันเป็นอิมชันมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของจิตไม่อยู่ในโครงสร้างของสมองด้วย สมองเราเนี่ยมันไม่ได้มีโปรแกรมให้มีความสุขมีความทุกติดมาเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ที่เรียนแบบสมองเนี่ยเป็น AI เนี่ย artificial intelligence ต่อให้มันพัฒนาขนาดไหน เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชั้นลาแสนชละแต่ไม่สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้สึกไดท้ทั้งที่เรียนแบบโครงสร้างสมองทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะความสุกสร้างโปรแกรมไม่ได้ ความทุกข์ก็สร้างโปรแกรมไม่ได้ความรู้สึกก็สร้างไม่ได้มันไม่อยู่ในโครงสร้างของสมองเอาแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมเราสุขเราทุกข์คนเป็นโรคจิตเนี่ยมันมาจากโปรแกรมความคิด เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันถูกกําหนดให้บ้ามันอยู่ในโครงสร้างแต่บ้าแล้วสุ่นแล้วทุกไม่เกี่ยวเลยนะบางทีคนบ้าหัวเราะทั้งวันมันสุกกว่าเราอีกนะมันหัวเราะเราเลยทั้งวันเมอนบ้าเพราะมันสุ่นนี่แหละ ฉะนั้นสิ่งที่มันติดอยู่ในในโครงสร้างของจิตมันคือตัวสัญญาตัวเพอร์เซพชันในขันห้าเพอร์เซพชัน ception, ตัวสัญญาเนี่ยมันอยู่เป็นพื้นฐานแล้วแต่เราจะรับรู้อะไร แต่พอรับรู้แล้วมันมีผลตามมาคือสุขทุกข์สุขทุกข์มันเป็นผลจากการรับรู้แต่เราจะรับรู้อะไรเนี่ยมันจะมีโครงสร้างการทำงานของประจุไฟฟ้าในสมองซึ่งบางทีเราห้ามคิดไม่ได้ มันจะคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อันนี้มันอยู่ในในการรับรู้ของมันเป็นฟังก์ชันของจิตเวทเสัญญาแต่พอรับรู้แล้วมันจึงเกิดเวทนาเกิดสังขารสังขารเป็นสิ่งที่เราสร้าง สังขาตะเนี่ยนะตัวสุขตัวทุกตัวโรกตัวโกรตัวหลงเนี่ยมันไม่ได้มีมากับโครงสร้างของจิตของสมองแต่มาจากการที่เราไปปรุงแต่งให้มันสุกให้มันปุ๊บให้มันให้มันโลคให้มันโกรธให้มันหลงมันเป็นสังขารคือเราสร้าง แม้กระทั่งตัวเวทนาเนี่ยเราสร้างในปฏิจจสมุปบาทท่านจึงเรียนเวทนาไว้หลังพัรษะพัรษาก่อให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุ ป, ปาทาน แล้วตัวภาษานี่มันอยู่ในโครงสร้างของจิตที่เราไปกระทบแล้วสุขเราทุกอยู่ที่ภาษาอยู่ที่สัญญาถูกอยู่ที่เปอร์เซ็นเช่นเราจึงเรียกว่าสัมผัสชาเวทนาจากขู่สัมผัสชาเวทนาเมื่อเราเกิดสัมผัสเรารับรู้ มันจะมีความรู้สึกตามมาไอ้ตัวภาษาเนี่ยคือคอมพิวเตอร์เราสร้างได้โครงสร้างสมองเนี่ยให้มันรับรู้ยังไงมันคิดอย่างไรเราสร้างได้แต่ความรู้สึกที่ปรุงแต่งตามมานี่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้จะให้คอมพิวเตอร์รักทำให้คอมพิวเตอร์เกลียดทำไม่ได้ ลักเกลียดมันเป็นผลจากภาษามีสำหรับมนุษย์มีอารมณ์มีความมีเวมีความมีความรู้สึกฉะนั้นประเด็นอยู่ตรงนี้เราเลือก เ, อเวทนามันเป็นผลจากภาษะภาษาอันนี้ไม่ได้หมายความว่า ตาเห็นลูกหูฝันเสียงเดียวนะมโนสัมผัสสชาวิถณนะเราคิดอะไรเราก็รู้สึกตามนั้นวันนี้ถ้าเราคิดดีเราก็แฮปปี้มีความสุขถ้าเราคิดไม่ดีเราก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์มันเป็นผลจากการคิด มันไม่มีเซอร์กิตไม่มีวงจรของเวทนาอยู่ในจิตนะแต่มันมีวงจรประจุไฟฟ้ า, าของการคิดอยู่เราคิดบวกเราก็มีความหวังมีความหวังเราก็เกิดปีติเพราะฉะนั้นปีติมาจากไหนมาจากการที่เราคาดหวังคือสัมผัส พอเจ้าภาพบอกว่าจัดมาสร้างให้ห้องประชุมในบันทิตเีอะไรแค่ข่าวนี้มันเกิดปิติปีตินี้ยังไม่ยังไม่เกิดเรื่องจริงนะข่าวสอบวิชญพลผ่านแล้วมีเ่าว่าจะได้รับปริญญาปีนี้ยังไม่ทันรับเลยดีใจปีติแล้ว อิ่มใจเราเห็นห้องประชุมนี้จะเป็นประโยชน์ภัยสารประโยชน์มันยังไม่ได้ทำนะแค่เห็นก็เกิดปีติละ่ะผู้สร้างก็เกิดปีติอิ่มใจถามว่าเราเกิดปีติเพราะอะไรเพราะเรารับรู้ในเรื่องที่ทําให้เกิดปีติเราพูดถึงสิ่งที่ทําให้เป็น ให้เห็นประโยชน์ของการพัฒนาอาคารสถานที่มันเกิดปีติแล้วถ้าเกิดมีคนมาพูดในเชิงลบละ่ะไผันศากมากระทบปูท่านทำไมอะ่ะเดี๋ยวปลวกมาอีกรอบทำไงพูดไม่สร้างสรรค์ไอ้นี่มันการปลวกนะไม้ศากนะไอ้ที่สร้างแล้วปลวกกินแลวเจ้าภาพเก่าไปไหนก็ไม่รู้เนะ่ย เห็นไหมเขาพูดอย่างนี้คือแบาปีติมันแทบจะแขวนนะแสดงว่าบบอย่างไรมันอยู่ที่เราตั้งจิตจะคิดอะไรรับรู้อะไรเรารับรู้ในสิ่งที่ดีที่เป็นบุญศรีเราก็มีปีติมีความสุขเพราะฉะนั้นจะสุขหรือทุกข์เราเลือกเราเลือกสุขก็ได้เลือกทุกข์ก็ได้โดยที่เราเลือกคิด เลือกภาษาการเลือกคิดเราเรียกว่าโยนิโสมนัสิกาส่วนไม่รู้จักเลือกคิดเรียกว่าอะโยนิโสมนัสิการแล้วแต่ใครจะเอาภาพเอาเสียงอะไรมาเสนอแล้วเราก็เต้นเป็นเจ้าเท่าไปตามนั้นเหมือนหุ่นเชิด อ, อยู่ๆมีกำลังใจคึกคักเพราะคนเชีย นักมวยอ่ะสู้ใหญ่เลยแล้วทำไมไม่รู้จักคิดเองนักมวยเนี่ยต้องมาฝึกสมาธิเพราะอะไรเพราะเวลาต่อยในประเทศเสียงเชียร์มันฮุบมนะต่อยไม่หยุดเลยชนะเลยแต่พอไปป้องกันแชมป์ต่างประเทศแล้วต่อยถูกคนดูนเนี่ย ไอ้ฝ่ายโน้นฝ่อยไม่เราถูกเลยแต่ว่ามันเป็นแฟนในประเทศน่ะมันเชียดดันใหญ่ไอ้หมอหน้า ก, ก็เลยคุกใหญ่เลยต่อยใหญ่เลย ท, ท, ทั้งที่ชครุ่งแล้วนักมวยเราก็ใจเสียสิต่อยเขาถูกไม่มีใครเชียร์เลยแต่มันต่อยเรานิดเดียวเฮลั่นเลยจิตตกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาบอกช่วยสอน กรรมฐานเลยได้ไั้ยอย่ามันไปบอกแวะให้มันสนใจต่อเ อ, อย่าไปฟังเสียเชียร์มีสอนกรรมฐานสัมมนินวัดภูสึขไปพระที่นับบ่นเน่ยคนสอบไม่สนใจอะไรเลยนะได้เป็นแชมป์โลก ด well, so so ี๋ยวมันสุดไปก่ <t rian> <t rian> <t rian <t rian ่นไปงั้นทุกเจาว่เราสุขเราทุกพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วเราเลือกเราไม่ได้เป็นธาตของสถานการณ์ไม่ได้เป็นทาตของอารมณ์แล้ววิทยาศาสตร์มาคอนเฟิร์มว่าในโครงสร้างสมองของเรามันไม่มีโครงสร้างเรื่องสุขเรื่องทุกมันเป็นผลจากเพอร์เซพชั่น ก็หมายความว่าถ้าเราอยากจะให้มันสุขยั่งยืนวันนี้มาเป็นเจ้าภาพไม่ใช่จบงานแล้วหายปีติหายสุขเจ้าภาพเกิดเจตนามีปุกพระเจตนาก่อนถวายก็มีความสุขเพราะเรานึกถึงว่าเราจะทำความนี้ ฐานเจตนาในขณะที่เรียกว่าจากคาเจตนาในขณะที่ทำพิธีวันนี้ก็มีความสุขกลับบ้านแล้วนึกถึงสิ่งที่เราได้ทำร่วมกันทำความดีอัปรรจเจตนาก็แฮปปี้เห็นไหมมันยั่งยืนไมหมละ่ะมันไม่ใช่ว่าแป๊บๆแป๊บๆสุขนิดเดียว แต่เรานึกถึงสิ่งที่เราทำสิ่งที่ความดีที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ ย, ยั่งยืความสุขมันก็ ย, ยั่งยืนกำลังใจมันก็ ย, ยั่งยืนท่านจึงพูดถึงเจตนาสามเนี่ยก่อนแต่การทาบุญเตรียมการมีความสุขขณะทำบุญเรานึกถึงเราก็ปีติสุข ทำเสร็จแล้วต่อเนื่องนึกถึงเราก็ามีความสุขนี่จะไปไปสร้างโบสถ์ไว้ใช่ไหมเนี่ยมันเล็กๆมาเล่าให้ฟังเน่ยคุณรุสลายไปสร้างโบสถ์ที่บ้านเกิดยังไม่ได้ฝังรูปนิมิตนะแค่ไปสร้างไว้แฮปปี้แหะมีความสุขเราเรื่องนึกถึงตรงนี้ฝังรูปนิมิตก็มีความสุข เสร็จแล้วสร้างวัดเสร็จเจตนามัน่นคงเข้มแข็งมีความสุข่อเรื่องกลายเป็นว่าที่เรามาอยู่ร่วมกันมาพัฒนามหาจุฬาตรงนี้ในฐ า, า, านะคณะฐานะคณะบดีบดิวิลัลนึกถึงอดีตมาเอาปเฟี้ ตอนนั้นมันละบากระบนหนะูเป็นรองคณะบดีไม่มีใครพูดถึงเลยเนะี่ยมีความสุขได้แล้วสุดที่พงเนี่เป็นรองคณะบดีกันห้องทำงานก็ไม่มีนะมีโต๊ะ อ, อยู่ตัว เก้าอี้ก็ไปแย่งเขานั่งห้องสามูนย์ห้าเนาะนั่นน่ะถ้าไปนึกตอนนั้นมันของเหี่ยวใช่ไหมแต่ไม่แต่ไม่เห็นความเจริญเติบโตมาถึงจุดนี้มาเห็นถึงวันนี้เกิดปีติเกิดความสุขปีใหม่มีความหวัง แค่นึกว่าชีวิตมันจะดีกว่าเก่ามีสุขภาพมีมีการงานมีเงินมีอะไรต่างแค่นึกมันก็ปิติแล้วและถ้าเราได้ทาจริงได้เสวยได้ประสบมันก็เป็นความสุขและเมื่อรำลึกนึกถึงมันก็เกิดโสมา น, นะปลื้มใจดีใจเพราะฉะนั้นสุขและทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือ เลือกว่าจะสุขหรือเลือกที่จะทุกข์อยู่ที่เราจะมีโยนิสงฆ์มนติการหรือไม่ต่างหากเพราะฉะนั้นบางคนนี่มีความสุขได้ตลอดใครชอบใครชัางช่า ง, งเกินใครเชิดใครแท่งช่างเขาใครเบื่อใครหมดทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ เราเลือกที่จะสุกต่นหารเราจะไปว่าไอ้คนที่มันสุกใครจะโนใครจะบนก็แล้วมันสุกเนั่นแหละจริงๆอ่ะถ้าผมมีนาฬิกาดีๆเนี่ยผมใครจะด่าผมโผก็เลยเแต่พี่หอเหย่วอวหลอิมีสักเือนแบบไอ้ที่เขามีไงเอ๊ะ ไม่ได้พูดถึงไหนพูดถึงไหนมหัรยุลยานะอย่าไปนึกว่าพลาดพิงอะไรมันอยู่ที่ใจและถ้าเราเอาเรื่องนี้มาทำาได้ใช้ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะสุขกันทั้งปีนะไม่ใช่เฉพาะปีใหม่ริงปแเนี่ยพูดเกินเวลาเนี่ยก็มีความสุขได้ไม่ต้องสวดหรอกมาเอ่ยอย่ น, น <c oughs> พวกที่จะสวด ถ้าพร้อมก็บอกฮะมาที่รูปไป น, นับไป น, นับ่ั อ, อย่ามาพูดอย่างมีไม่เชื่อมหาจุฬ า, าไม่เคยมาพร้อมกันเออมาพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกท่านลงได้เขาถวายหรือเปล่าฮะก็ถวายเพราะฉะนั้นครับรับรปีใหม่รัตน์นั ต, ตายาคุณพาวนะ รัตนัตยะเตชะสารด้วยเดชะบรารมีแห่งคุณประสีรันตนรยัยปุญญานุภาีนี้ด้วยอำนาจแห่งมหาอุสศนในการสร้างห้องประชุมถวายไว้ในครับพุทธศาสนาในครั้งนี้ขอชมรวมกันเป็นต บ, บัดเป็นเดชะเป็นภารวัตรปัจจัยเป็นพรหนุนนำให้ ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีจิตใจที่ผ่องใสมีความสุขมีสติปัญญาอาจสามารถแทงตลอดสัจธรรมนำชีวิตโดยสวัสดิภาพปราศจากทุกโสศงโรคภัยอุปทานตรายทั้งปวงเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนักสุขะพละปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติธนรรสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอ บ, บดีธรรมก็ขอให้ความปราถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกรูปทุกท่านทุกคนตลอดปีใหม่และตลอดไปเจริ